เห็นแต่ละคนพกของกันนะเวลาเราพกของกันไม่สังเกตไหมจากที่มันไม่มีมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆคือยาใช่ป่ะฮะไม่ยาอยาะค่อยๆมาโคตจะค่อยๆมามาแล้วไม่ค่อยกลับฮะใช่ยานี่มันมาแล้วมันไม่ค่อยกลับแต่ค่อยๆพกในใครมานี่ ไม่ได้พกยามาเลยมีไหมหนึ่งสองสามสี่ฮะอ๋ะ อ, อไอพวกนี้กินเช้าเย็น <c oughs> <c oughs> เกือบเกือบ <third> พลาดไปเราโอโ้โหท้อได้นะเว้ยอร่อยวะโยมาอายุขนาดนี้เราแค่นี้เร้ยเราต้องพกยามาในที่แท้ของเขาเช้าเย็นไม่ทนเลยครับฮะ นี่เจ้าว่าอารคยาปรามาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐข้อนี้ไม่รู้หรอกคนจะรู้ภาษิตนี้ดีตอนเป็นโรคไอตอนไม่เป็นโรคนะไม่ค่อยซึ้งหรอกแต่พอเป็นโรคแล้วจะรู้ว่าโอ้โ ความไม่มีโรคนี่มันเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆมันต้องต้องต้องเป็นโรคก่อนทั้นภาษีนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยบอกให้รอดูว่าความจริงแค่นั้นเองพี่เจ้าว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐความคุ้นเคยเป็นลาบเอ๊ะเป็นญาติอย่างยิ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้หรอกนอกจากว่าพี่น้องมันหักหลังกันเองน่าจะรู้โอ้โหมีเพื่อนมาช่วยนะ แม่ความคุณเคยเป็นญาติอย่างยิ่งย <c oughs> ิ่งถาว่าพี่น้องมันญาติญาติสายโลหิตมันแย่งมรดกกันมันรังเกียจกันมันสาบแช่งกันมันไม่เอาใจใส่ไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือกันนะแล้วมีเพื่อนคนที่ไหนไม่รู้มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเ อ, อเพื่อจะรู้สึกแม่พระเจ้าจัดแม่นจริงปลารมปลารมา อะไรอะปรมสัสาวิตาซาเออใครนะเนี่ยใครนะเนี่ยใครวิตาธาเมื่อกี้เข้าท่าเลยวิตาซาปรามายาตีนี่ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวิอือวิตาซาแปลว่าคุ้นเคยปรามายาแปลว่าอย่างยิ่งาาญาตีแปลว่าญาติไม่ใช่ญาติสารโหดเพราะฉะนั้นคำว่าญาติ นอกจากสารโลหิตแล้วเนี่ยความคุ้นเคยต่างหากที่เป็นญาติจริงๆอันนี้จะรู้ซึ้งเวลาเวลามันหักหลังกันในหมู่พี่น้องฮะอบอกว่ า, อ, าอะไระคือเหมือนกับว่าคำว่าร้อนถ้าไม่เจ อ, อไฟไหม้จะไม่รู้ซึ้งว่าร้อนเป็นยังไง เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยในทางศาสนาเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจึงมีความรู้สามชั้นที่ว่าตอนแรกเราก็รู้จักรู้จำรู้ด้ยสัญญารู้จักเรารู้จักอะอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้รู้จาเราก็รู้นั่นแหละเราก็รู้จักรู้จา แต่ความรู้ในพุทธศาสนานี้มันมีอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ารู้จริงรู้แจ้งแต่เดิมเรารู้จักรู้จำแต่ในศาสนาต้องปฏิบัติเพื่อให้รู้จริงแล้วก็รู้แจ้ง ถ้ามันรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่แจ้งแม้รู้จักหรือรู้จำก็สังเกตนะใครไม่เคยได้ยินคำว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังใครไม่เคยได้ยินมีไหมสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงใครไม่เคยได้ยินได้ยินหมดสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์อะใครไม่เคยได้ยิน ไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาใครไม่เคยได้ยินไม่มีใช่ไหมโลกกระทำลาบสรรเสริญมันเป็นเรื่องธรรมดาความพลัดพรากการล้มหายตายจากความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครไม่เคยได้ยินได้ยินไหมเคยได้ยินทั้งนั้นอะ่ะใครไม่เคยร้องไห้เพราะความพลัดพราก มีไหมอ้าวมีไหมใครไม่เคยร้องไห้เพราะความพลัดพลาดไม่มีใช่ไหมใครไม่เคยดีใจเพราะความสมหวังพี่ถามอย่างนี้มันก็โอเคไม่เคยดีใจเพราะความสมหวังไม่เคยดีใจเพราะความสมหวังก็ไม่มีมีแต่คนเคยดีใจทั้งนั้น ใครไม่เคยเสียใจกับความผิดหวังหมายความว่าเราปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ดังที่หวังอะ่ะแล้วเราเกิดความรู้สึกเสียใจอะ่ะใครไม่เคยบ้างไม่มีแสดงว่าคำว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังก็เคยได้ยินทุกขังก็เคยได้ยินอนัตตาก็เคยได้ยินความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาความบพราบเป็นธืธรรมดาก็เคยได้ยิน แต่เราก็ยังต้องร้องไห้เพราะความพลาดพลาดเสียใจยเพราะความพลาดพลาดเสียใจยเพราะความผิดหวังเราก็จะมีอยู่ทุกอย่างเพราะเรามันเป็นเพียงแค่รู้จักกับรู้จำการอ่านก็ดีการฟังก็ดีที่เราต้องมานั่งเถียงกันอธิบายกันสอนให้คนอื่นฟังเรื่องเหล่านี้ มันเป็นเพียงแค่รู้จักกับรู้จำนี่เราอบรมจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นฐานที่ตั้งของสติและสมาธิเพราะตัวที่จะทําให้เรารู้จริงคือตัวสติกับสมาธิที่มันแข็งแรงขึ้นมามันต้องสามารถรู้กับใจจริงๆตัวที่จะทําให้เรารู้จักและรู้จริงนี่แหละเป็นสิ่งที่เราชื่อว่าการปฏิบัต การฝึกฝนจิตไม่ใช่เพื่อการอย่างอื่นนะเพื่อให้เขารู้จักแล้วก็รู้จริงถ้าฝึกฝนจิตแล้วดูแล้วมันท่าแม่งท่าแม่งยิ่งฝึกไปมันยิ่งโง่ยิ่งฝึกไปมันยิ่งโง่นะไม่ใช่แล้วนะถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อความรู้จริงไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ใช่วิธีสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าจะรู้จริงหรือแจ้งก็ดูว่ามันส่งเสริมต่อสมาสมาธิสมมาสติหรือไม่ นี่พระฉะนั้นเวลาพระพิจารณาสอนะสนสั้นๆไม่ต้องมานั่งอ่านเป็นเล่มขนาดนี้นะพระพเจ้ารณาสอนะสอการทําสมาธิด้วยอนาปร า, า, ารักการกกติว่าอรัญเยรุ ก, กตาอรัญยะรุกตโตรุกตโตวาสุนรุกขมูลากาโตวาสุนยาคารากาโตวาอยู่ที่ป่าก็ตามควรไม้ก็ตามเรือนร้างก็ตาม ในความหมายนี้หมายความว่าไม่ได้ไล่ให้ <enf> พวกเราไปอยู่เรือนร้างไม่ได้ไล่ให้เราไปอยู่โคนไม้ไม่ได้ไล่ให้เราไปอยู่ในป่าแต่หมายความว่าถ้ามันไม่มีที่ไหนที่จะนั่งได้แล้วอ่ะมีในป่ามีโคนไม้มีหรือบ้านร้างเรือนร้างนั่งได้หมดเลยไม่มีที่ไหนที่ไม่สามารถทำได้เนี่ยล้วมแปลกลับมาว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ ที่สามารถทั้งได้ทำให้เรานั่งได้เดินได้ยืนได้ที่ที่เรามีการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถของเราเออบาลังกังไนซีติบาลังกังอาพุชิตตะวาพอไปถึงที่ตรงนั้นที่เราสามารถนั่งได้แล้วก็นั่งคูบาลังเข้ามานั่งเก้าอี้ก็ได้อยู่ออฟฟิศก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ห้องครัวก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นั้น ตั้งกายง่ยตรงอุชุงกายังปานิทายะอย่าไปตีความอย่างอื่นอย่าไปใส่ใจว่าเ้ยมันหมายความว่าอย่างเอาตามตัวอักษยเนี่ยอุชุงกายังปะนิทายะตั้งกายง่ายตรงปริมุกังสติงอุปัฏฐเปตตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าโซ่สตัว่าสติแล้วมีสติหายใจเข้าไ อ, อ้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเท่านี้แหละ แล้วก็ทรงสอนว่าไอ้การมีสติหายใจออกการมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆจิตรู้ลมหายใจไหลออกไปเรื่อยๆจิตรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆตอนหลังแรกๆเนี่ยไอ้จิตเดิมๆที่มันรู้ลมหายใจว่าทีขังวากัจจัตว์สันโตทีครั้งอัจจสัมีติปะชานาติไอชานาติหมายความว่าเมื่อลมหายใจเข้ายาวใจก็รู้จิตมันก็รู้ว่ายาว ลมหายใจออกยาวมันก็รู้ว่ายาวลมหายใจเข้าสั้นมันก็รู้ว่าสั้นลมหายใจออกสั้นมันก็รู้ว่าสั้นสังเกตไหมว่าทําไมท่านตัดอย่างนี้ต่อเรกทสมาบอกท่านว่าโซสตัววสะสติมีสติหายใจเข้าไอ้มีสติหายใจออกสตววปะปัสสติมีสติหายใจเข้าแค่เนี้ยตัวปฏิบัติจริงๆไอที I T ข้งว่ายาวกับสั้นนั้นมันเป็นผลกับการที่เรารู้ลมหายใจแล้วก็ไปรู้อีกชั้นหนึ่ง ไปรู้อีกเช่นไงพวกโง่มันกไ็ไม่ไม่ไม่สนใจตรงนี้ไงปฏิบัติไปก็ไม่สนใจตรงเนี้ยเราสังเกตว่าโซ่สตวันสติรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ไปเรื่อยๆผลของการที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเนี้ยมันจะทำให้เกิดการรู้ว่าเออลมหายใจเรามันยาวลมหายใจเราพันสั้น เวลาเรารู้ลมหายใจยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลดจิตมันกล้จะรวมลมหายใจเราก็จะสั้นลงมาสั้นลงมาสั้นลงมาสั้นลงมาอันนี้มันเป็นผลเลยแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยจากการที่ว่ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจแล้วออกรู้ลมหายใจแล้วเข้ามันก็จะส่งผลให้การรู้ของเราแข็งแรงขึ้นสิ่งที่ถูกรู้ก็ถูกรู้ประจักษ์ขึ้นประจักษ์ขึ้นประจักษ์ขึ้นทีนี้มันเลยกลายเรามารู้ว่ายาว ใช่หมรู้เปยาวเอออะไรอย่างเงี้ยสั้นมันเรียกว่ารู้จริงที่มันยาวรู้จริงที่มันสั้นแรกๆเราก็กำหนดไปก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าอาตาปีสั้นบะชานโนในการรู้ลมหายใจที่ไหลออกก็ตามรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าก็ตามมันจะเป็นการพยายามกำหนดรู้พร้อม ไอการพยายามกำหนดรู้พร้อมคืออะไรคืออะไรรู้ปะที่เราเคยได้ยินอะอาตาปีสัมปะชาโนสติมาสามตัวนี้ความหมายคือการพยายามตามกำหนดรู้พร้อมอาตาปีคือพยายามนะสติมานั้นมีสติ สัมปชานโนก็คือรู้ทั่วพร้อมอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยก็คือว่าพยายามตามกำหนดรู้พร้อเพื่อให้มีความพยายามของเรานีให้มันแข็งแรงขึ้นไปไเรื่อยความพยายามเนี่ยความมุ่งมัน่นความเด็ดเดี่ยวความก ล, วกล้า้าความเอาจริงเอาจังความใส่ใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องภาวนาปฏิบัติแล้วมันต้องตัดได้มันจะต้องอาตาถึงขั้นของอาตาปี เล่นเล่นเล่นเล่นอะไรสว่างไปผ่านไปวันวันผ่านไปวันวไม่เอาถ้าว่าเพลาน่าต้องให้ความจริงจังเอาจริงเอาจังนี่ถึงขั้นของอาตาปีให้ได้พอมันถึงขั้นของอาตาปีในเวลาเรารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรืยรื่ตัวรู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าด้วยอาณาอาตาปีสัมปช a d o r สติมาถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ย มันจะทําให้รู้จริงและรู้แจ้งว่าลมหายใจเรายาวเป็นอย่างไรเมื่อมันรู้ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่าเมื่อจิตใกล้รวมลมนั้นมันจะสซาลงนี่เรียกว่ารู้จริงรู้แจ้งในลมเป็นผลของการภาวนาพอรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรๆต่อไปเป็นไงปัจสัมปัญญาการสั้างการังก็คือ อ่าสภากายาปัญสังเวทีในเนื้อลมที่เป็นภายในเป็นอย่างไรรู้จริงอย่างนั้นเนื้อลมที่เป็นภายในเป็นอย่างไรรู้จริงอย่างนั้นหลังจากนั้นอีกปัดสัมพยังกายาสั่งฆ่ารังประชานาติลมหายใจหยุดรู้จิตไม่เอาลมหายใจคือว่าไม่ค่อยจ้องดูรู้ลมหายใจแล้วแต่ยังคงหายใจอยู่ ไอ้ น, นี่เป็นส่วนที่จะเข้มงวดขึ้นจากจากที่เราเคยผ่านผ่านมาเวลาเราผ่านผ่านเราแต่ทุกทุกๆุกครั้งเนี่ยเราจะกําหนดมันใช่ไหมกําหนดรูลมหายใจไหลออกรูกลมหายใจไหลเข้าแล้วเราก็เรียนรู้เรียนรู้หรือศึกษาลมหายใจในส่วนที่มันเป็นเนื้อลมหลังจากนั้นเราก็เอาสติในส่วนที่มันเป็นตัวกําหนด คอยจับดูรู้ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆๆๆๆหมายความว่าคอยจ้องคอยเพ่งคอยดูคอยรู้คอยตามคอยมุ่งหาแต่ลมหายใจศึกษาในเรื่องลมหายใจแต่ว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวรู้นี้ก็จะไปประจักษ์กับลมหายใจอีกทีหนึ่งที่มันรู้ความเป็นจริงของลมหายใจรู้บริบททั้งหมดในการหายใจออกรู้บริบททั้งหมดของการหายใจเข้า บริบทของมันว่ามันเริ่มยังไงจบยังไงมันยาวเป็นอย่างไรสั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือการรู้จริงของมันนี่เป็นผลนลยไอ้ผลตัวนี้ก็จะเป็นตัวปฏิบัติต่อไปซึ่งจะเป็นเหตุตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาพระพิจารณาเรียงสังเกตไหมว่าทําไมท่านต้องเรียงอย่างนั้นไอ้แค่การรู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวนี่ขั้นหนึ่งเลยนะ เข้าใจไหม น, นี้มันขั้นหนึ่งเลยนะเอ๊ะทาไมมันง่ายกระดนั้นนะเราก็รู้ได้นี่ยาวสั้นเอ๊ะทาไมมันเราไม่ได้เป็นขั้นอย่างนั้นอนะ่ะเพราะมันเป็นผลไงเข้าใจไหมอืมถ้าใครที่ไม่เคยมาปฏิบัติเลยจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างนี้แต่เราปฏิบัติมากันมาหลายครบหลายกรรรอบแล้วเราก็ควรจะรู้กันสักทีทีเนี้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้อง พอเข้าสมาธิกําหนดไปปับ๊บพยายามไปปับ๊บความเพียรต่อเนื่องปับ๊บเราควรจะปล่อยลมหายใจของเราออกไปให้จิตของเรามันแค่รู้ลมหายใจจริงจังนั่นมันจึงจะค่อยเริ่มประจักษ์เรียกว่าเริ่มรู้รู้จริงขึ้นมากับความยาวความสั้นเต็มบริบทของมันตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดหลังจากนั้นมันสั้นเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นมันเมื่อจิตรู้กรรมลมหายใจที่เป็นปกติอย่างนี้มันจะยาว ลมหายใจที่เรารู้เรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ยาวเราจะอาจจะไม่มีคำว่ายาวอยู่แต่เราจะเกิดความรู้จริงในลมหายใจนั้นแต่เมื่อเรารู้ไปเรื่อยๆ่อยๆเร่อยๆรืยๆจิตรู้ของเราเกาะลมหายใจได้สนิทมีลมหายใจต่อจากนั้นเราเห็นว่ามันสั้นกว่าลมหายใจเดิมเรา ным, จึงรู้ว่าอันนี้สั้นนั่นคืออันที่รู้ที่ผ่านไปนั้นมันยาว แล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อจิตใกล้จะรวมมาเป็นสมาธิกับลมหายใจแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วลมหายใจมันสั้นลงหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นเนี่ยไครับว่าก็รู้ก็รู้ก็รู้ก็รู้เนี่ยสังเกตไหมว่ามันเป็นผลอีกชั้นหนึ่งทีนี้เมื่อมันรู้ไปเรื่อยๆจิตก็จะดีดออกมาจากลมหายใจมันไปไหนมันก็ไปที่ความปิติมันไปที่ความสุขใช่ไหม เราก็ไม่ติดในปิติไม่ติดในความสุขเราแค่รู้ปิติแค่รู้ความสุขนั้นและเรายังคงกลับไปหายใจอย่างเดิมพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อานาปารณติพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์งให้เราไปไหนนอกจากลมหายใจรู้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดแล้วก็ดับแล้วกลับไปอยู่ที่ลมแต่ไม่ใช่ไปแช่หรือไปเพ่งหรือไปติดอยู่ที่ลมหายใจเพียงแค่จิตนี้ ให้อยู่กับลมหายใจไว้สำหรับที่จะเรียนรู้ศึกษาปลดเปื้องในที่สุดก็จะเห็นความเป็นอนิจจังทุกังกานาตาของสภาวะทั้งหลายเห็นการสลัดคืนออกไปทั้งหมดไอ้ น, นี่คือความจริงจังของลมหายใจสังเกตไหมว่าที่พูดวันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นผลและเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุมันจะเข้มงวดขึ้นเข้มงวดขึ้นจากลมหายใจปกติที่เราเคยปฏิบัติมา โดยเอาพระพุทธ์ที่พุตเจ้าตรัสเนี่ยโซสโตวักอัสติมีสติหายใจออกสโตววัปั ส, สติมีสติหายใจเข้าเอาเลยปฏิบัติเลยปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไ ป, ป, ไปแล่มมันก็เกิดการรู้จักว่ายาวเมื่อจิตมีประสบการณ์รู้จักกับลมหายใจยาวโดยตัวของจิตเองและลมที่ยาวความเป็นจริงของจิตที่รู้สึกนั้นนั้นเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งเลยนะ วิธีปฏิบัติยากไหมไม่ยากทํำยังไงลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าอย่ลาลแล้วก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้จนจิตมันรู้จักว่าโอ้ยไอ้นี่มันยาวเว้ยนะไอ้ออกมันอย่างนี้ยาวเว้ยเข้ามันอย่างงี้ยาวเว้ยถ้ารู้ว่ามันออกยาวเข้ายาวนี่ขั้นหนึ่งแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆอีกระยะหนึ่งมารู้โอ้ยแล้วยางนี้สั้นเว้ยออกอย่างนี้ก็สั้นเข้าอย่างนี้ก็สั้น ออกอย่างนี้ก็สั้นข้าวอย่างนี้คนนี้ก็อีกขั้นหนึ่งเลยนะมันลําดับการปรากฏของสภาวะในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะเป็นลําดับของมันไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาคาดหวังมาเลยแค่ใช้ประโยคเดียวว่าโซสโตว่างาสติสโตวะปะสะัสติคือมีสติและหายใจออกมีสติและหายใจเข้านี่คือการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องไปแล้วมันเกิดการรู้จักขึ้นมาว่าไอ้อย่างนี้โอ้ยยาว อย่างนี้สั้นตอนนี้ยาวตอนนี้สั้นการที่มันรู้จักว่าลมหายใจในขณะที่ผมจิตใกล้จะรวมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะยาวจะรู้ว่าลมหายใจปกตินี่มันจะยาวแล้วมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงในที่มันรู้ว่าโออันนี้มันสั้นพอใกล้จะเข้าสู่ความตั้งมัน่นมันจะสั้นแต่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นพัฒนาการของจิตที่จะมีสติและสมาธิ มันจะต้องเดินไปกับลมหายใจเสมอโดยอาศัยความรู้จักรู้จำเป็นเบื้องต้นเข้าสู่ความรู้จริงและรู้แจง้งอย่างนี้อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจแบบงงๆนะ น, นี่พวกมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปเรียนที่วัดดีเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหม มันจะเข้มงวดขึ้นจะเห็นว่าหลักการปฏิบัติจริงๆเลยคือรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเท่านั้นทีนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนที่เป็นสภาพธรรมซึ่งปรากฏในขณะที่เรารู้ลมหายใจไอตัวลมหายใจเนี่ย พอราภาวนาไปเรื่อยจิตจะเกาะรู้ลมหายใจแล้วมันจะเห็นแค่มันยาวสั้นละเอียดหยาบไอตัวลมนะเป็นอย่างไรก็รู้ปรากฏเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีสิ่งอื่นๆในขณะที่รู้ลมหายใจที่ปรากฏออกมาจากอํานาจของสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่านิวรเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเราต้อง ตั้งจุดในการเรียนรู้แต่ต้นตอนนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่รู้เห็นการเกิดและการหายไปแค่รู้การเกิดขึ้นและการดับไปเท่านั้นเองจะไปแช่ไปปรุงแต่งต่อมันไม่ได้แค่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็การหายไปไม่ใช่สมมุติหรือการมาสะกดจิตตัวเองให้ไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นและก็ดับไปดูตามความเป็นจริง แรกๆเราก็ใช้อนุปัสนาเรียกว่าอนุปัสนาหรืออนุปสีตามดูมันตามดูมันไอสิ่งที่มันเคยดับไปแล้วอ่ะเช่นเราแล้วนั่งนั่งๆๆอยู่เนี้ยเจ็บเจ็บแล้วเราก็พยายามยกมันขึ้นมายกรู้ว่ามันเจ็บที่เข่าแล้วยกจิตขึ้นมาอยู่ที่ลมรู้ลมหายใจต่อไปยกจิตขึ้นมาอยู่ที่ลมแล้วรู้ลมหายใจต่อไปยกจิตขึ้นมาอยู่ที่ลมแล้วรู้ลมหายใจต่อไป พอรู้ไปรู้มาจิตมารู้ลมหายใจแล้วมันหลุดออกไปสมมติว่ามันหลุดออกไปคิดอย่างอื่นไอ้นี้หายไปถ้ามัน ร, ร, รู้รู้ตัวได้ตอนนั้นนะต้องยกกลับมาเป็นอนุปัชสีตามดูมันว่าอ๋อไอไอไ อ, ไอความเจ็บเมื่อกี้ที่มันเกิดเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่นี่ให้จิตเรียนรู้ถึงความเกิดดับในขณะที่อยู่กับลมหายใจเรียกว่ารู้ความเกิดดับของสภาวะจิต ต, ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้ ให้สะสมไว้เป็นปัญญาของจิตอยู่ข้างในและการประสบการณ์อย่างนี้จากอนุปัฏสิมันจึงจะเป็นวิปัสสิคือแจ้งทันในปัจจุบันทีนี้มันเกิดมาปัจจุบันมันเกิดก็รู้ว่าเกิดตั้งอยู่ก็รู้ว่าตั้งอยู่ดับไปก็รู้ว่าดับไปรู้ว่าการเกิดขึ้นและการดับไปเท่าทันในความเป็นที่เป็นปัจจุบันขณะจากอนุปัฏิก็มาเป็นวิปัสสิอนุปัฏิคือตามดูที่มันเกิดดับไปแล้ววันนี้โกรธยัง เมื่อเช้าโกรธยังจริงอ่ะอหอาอยากเมื่อวานโกรธไหมเคยนึกดูที่เคยโกรธโกรธไหมโกรธเมื่อไหร่เมื่อวานเอมันเกิดตอนไหนหรอไม่ต้องไปสนใจว่ากโกรธใครแต่สนใจเพียงแค่ว่าความโกรธนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจเราใช่ไหมแล้วมันหายไปตอนไหน หายไปไม่รู้ว่าตอนไหนแยแต่ตอนนี้มันไม่มีก็คือนั่นแหละมันแค่การแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและในสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยความเจ็บความปวดความเมื่อยหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นสภาวะที่ไม่ต่างจากความโกรธอันนั้นมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ย จึงจะต้องเพิ่มความเพียรของเราจากความเพียนธรมธรมดาๆเนี่ยให้มันเข้าไปสู่ชั้นของอาตาปีให้ได้อย่าลืมว่าความเพียนชั้นของอาตาปีคือความเพียนที่เข้มข้นต่อเนื่องจริงจังไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอาตาปีแปลว่าความเพียนแผดเผาสัมบิชาโนเนือรูท เต็มเตัพเลยนะสัมปะชาโนชานะนี่แปลว่ารู้ปะนี่แปลว่าทั่วสังอ่ะแปลว่าพร้อมรู้ทั่วพร้อมนั่นนะ่ะสัมปชานอสติมานั น, น่ะคือมีสติมีสติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สติธรรมดาเนี่ไม่ใช่สติอย่างนี้นะไอสติมาเนี่ยคือมันมาแล้วสติมาเนี่คือความมีสติ ในความหมายก็คือว่ากําหนดในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่เราใช้กรรมาฐานการลมหายใจเราก็คือกําหนดอยู่ที่ลมหายใจความยกจิตเข้าไปที่ลมหายใจแล้วพยายามในการตามรู้ลมหายใจนั้นให้เท่าทันในการเคลื่อนไหวในขณะนั้นเนี่ยเข้มงวดก็ไปเข้มงวดก็ไปอย่างนี้จึงจะเป็นอาตาปีสัมประชารุ เพราะฉะนั้นถ้าความเพียรถึงขั้นเนี้ไม่เหลือและจะให้ประสบผลต้องความเพียรขั้นนี้จริงๆนะแรกๆถ้าเราปฏิบัติไปอย่างที่เราทําอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะได้ความสบายอย่างมาที่นี่เราก็มาก็สบายแล้วเราไม่มีภาระไม่มีกิจไม่มีกังวลไม่มีห่วงใยใช่ไหมแล้วก็สบายมาอีกห่างแล้ว เขามาถึงก็ยกจิตในขณะที่อยู่ข้างนอกมันคุ่นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันวุ่นวายสับสนยกจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องทําอะไรเชื่อลุงพอ่อเชื่อพระพุทธเจ้าก็ยกลมหายใจรู้ช่วงพักเร ก, ก็ปล่อยให้มันเตลิอดออกไป ก, ก็รู้รู้เดินก็รู้รู้พอหลุดออกจากตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเตลือดออกไปตามปกติเพราะเราเตลือดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรแต่มันไม่ จะเข้าไม่ถึงอาตาปีเนอะมันไม่เข้าอาตาปีมันจะไม่เข้าอาตาปีสัมปชัญเข้าวิปัสนาสตากัอาตาปีวิปัสสนาก็วิปัสสนาก็ต้องใช้อาตาปีสัมปชัญญหลักของอน า, านาปานสติจะต้องใช้ความเพียนต่อเนื่องและให้ความเพียนนั้น เข้มข้นขึ้นมาเป็นอาตาปีนั้นการเจริญสติสติจะต้องเจริญขึ้นไปพร้อมกับปัญญาที่รู้การเกิดและการดับของสภาวะประกอบกันไปอย่างที่เราปฏิบัติมาสะสมกันมานี่แหละของเราเนี่ยเมื่อมีสภาวะอันใดเกิดขึ้นเราก็จะรู้การดับเกิดเกิดดับเกิดดับเกิด ด, ด, ดับได้นะตัวนี้มาสะสมมาพอร่ำควรนะแต่กำลังความเข้มข้น ข, นของความต่อเนื่อง กำลังของความรู้ของการที่จะรู้รู้ในสภาวะที่เกิดเนี่ยมันยังอ่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เข้มข้นขึ้นเนี่ยคนที่ปฏิบัตินานๆ น, นะที่พูดเนี่ยที่พูดที่พูดถึงคนที่ปฏิบัตินานๆเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นแรกๆเราอาจจะต้องยกจิตกําหนดให้มันแน่วแน่ไว้ก่อน แล้ค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนคอลา ย, อ, ยลออกไปผ่อนคลายออกไปให้มันคงรู้หนักกว่าการกำหนดอันนี้พูดจริงจังเลยถ้าไม่จริงจังมันไม่เป็นอาตาปีเด้พ อ, พอดีว่ า, าที่พูดอย่างนี้ เพราะมันไปเห็นสภาวะบางอย่างที่พวกเราไปเกิดแล้วก็คลายไม่ได้เกิดแล้วคลายไม่ได้ยังมีความสงสัยโอ้ยมันยังยังไงยังไงเนี่ ย, ย, ย, ย, ยสภาวะที่มันมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นปกติแต่เราคลายมันไม่ได้แล้วสติมีกําลังไม่พอกับการที่จะควบคุมตัวเองสติมีไม่พอกับการที่จะควบคุมตัวเอง ในขณะที่เป็นปัจจุบันแล้วความรู้รอบของสติว่าอะไรอะไรควรวางอย่างไรท่าทีที่ควรเป็นอย่างไรอย่างไรมันไม่รอบไม่รอบต่อความรนนู้นั้นมันเลยต้องพูดถึงเรื่องของอาตาปีขึ้นมาไม่งั้นเราก็ปฏิบัติกันไปอย่างนี้แหละครั้งที่39ครั้งที่40ครั้งที่41ก็เคยรู้สึกไหมว่า มันเริ่มคล้ายๆกับจะตันเลยอะแต่มีอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดจากตรงนี้อีกคำหนึ่งนะการที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลต่อเนื่องนั่งต้องหนึ่งชั่วโมงให้ได้ต้องนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงไอ้ประเภทที่ว่านั่งแล้วสีห้านาทีลุกขึ้นวิ่งไป กดข้าววิ่งกลับมานั่งไปอีกสักิบนาทียี่อนั่งสี่ห้านาทีวิ่งไปกดประตูเปิดประตูเสร็จวิ่งกลับมานั่งอีกสองสามนาทีวิ่งไปเปิดควยปิดควยไอเรื่องอะไรเงี้ยยากไอพูดตรงๆนะอาจจะมีบางท่านสอนว่าเป็นการสะสมไว้ดีกว่าไม่ได้ทำก็ถูกถูกแต่ว่า อาจารย์กลังพูดถึงคำว่าอาตาปีมันจะต้องให้ได้ต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงกันบางสำนักที่ท่านเข้มพวดเรื่องพวกนี้นะถ้านั่งสมาธิไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลิกพูดกันเดี๋ยวนี้คนนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเยอะนะเยอะแล้วนี่ในใน น, น, นี้มีหลายคนที่นั่งได้เนี่ยหึ่งชั่วโมงอะ่ะก็มีบางวันที่อาจานํานำที่นี่เป็นชั่วโมงก็มีไม่รู้ตัว ใช่ไหมหนึ่งแค่บวงโดยไม่รู้ตัวใช่แล้วเวลาเราปวดแทบตายทอย่าไอย่าไปสงสัยมันอย่าไปสงสัยมันอย่าให้มันเกิดก่อนปวดมากจริงหืมปวดแบบว่าทนไม่ค่อยได้แต่แต่ว่าไอหยหม้อไอห้าจานไม่กล้าขยับอืมแสดงว่ามันปวดไม่จริงไม่รู้เพราะว่าต้องทนนะอ่า คนปาจะปวดอ่แต่มันปวดไม่จริงเพียงแต่จิตเข้าไปรู้เนื้อของความปวดพอจิตไปรู้เนื้อของความปวดแล้วมันก็เลยโอ้โหมันปวดมากอ<า>ืมแต่จริงๆแล้วจิตมันไปรู้เนื้อของความปวดพอรู้เนื้อของความปวดแล้วว่ามันปวดมากเกลียวความปวดนี่เป็นกําลังที่แบบโอ้โหมันเชือดเฉือยจริงๆแต่อายคนข้างๆคนข้างนั่งนิ่งแต่จริงแท้จริงไอ้คนที่นั่งนิ่งๆก็หนักเหมือนกัน มันนั่งยืนคนข้างๆโอ้โหเราขยับไม่ได้เว้ย<ม>เปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะไอ้คนข้างๆรู้ท่าทางอายุมากกว่าเรา <Okay. S 1> แก่ยังนั่งนิ่งทนทนทนทนทนนั่มันก็ผ่านไปได้ก็สแสดงว่า <S <S สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่ามันปวดแต่มันปวดที่กายใช่ไหมใจเนี่ยพยายามเอาความปวด มาใส่ที่ใจด้วยอำนาจของอุปท า, านแต่เนื่องจากว่าแรงอุปท า, านที่มันยึดอยู่ตรงฟอร์มตรงอัตตามันก่อให้เกิดความละอายมากกว่ากับการที่เราทนเจ็บอยู่อย่างเนี้ยช่างมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะมันแพ้ไอ้คนโน้นไม่ได้เห็นไหมสแสดงว่าจิตยังมีแรงยึดในอัตตาส่วนอื่นเยอะกว่าเวทนามันจึงห่านได้ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท้จริงจิตไม่ได้ปวดเลยมันไปยึดและก็แช่เวทนาตัวนี้ไว้ต้องแยกจิตกับตายออกใชคไหมต้องแยกแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะมาแยกไม่ใช่ก็ต้องรู้และวางเวทนาไม่ยอมในการที่จะไปเคลื่อนไหวและขยับมันในระหว่างนั้นต้องยกจิตกลับมารู้ลงใจให้ได้ในขณะที่มันปวดจะเป็นจะตายที่ยมว่าเนี่ย มันยึดอยู่ไงยกจิตสิ่งที่เราทำไม่ใช่ไปเคลื่อนไหวขยับยกจิตกลับมารู้ลมหายใจให้ได้ถ้ายกจิตกลับมารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยหมายความว่าจิตมันยอมพรากออกจากเวทนายอมพรากออกจากเวทนาวางเวทนาไว้ตรงที่มันเกิดแล้วมันมารู้กับลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเมื่อมันรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ามันวางเวทนานั้นลืมเวทนาตัวนั้น ไม่มีสัญญาณในเวทนาตัวนั้นไม่มีอุปทานในเวทนาตัวนั้นแล้วมาจิตมาหาันอีกทีหนึ่งรู้ว่ามันหายไปแล้วนั่นคือการดับของเวทนาแต่เมื่อใดที่นั่งพิจารณาสภาวะถึงเวลาที่เราเคยปวดยี่สิบนาทียี่สิบนาทีมันก็ปวดต่ออีกแล้ ว, ลว อ, อย่างานี้เราก็ต้องพยายามนี้คว่าให้ได้ แต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงไม่พลิกไม่แปรไม่ขยับได้นะเราจะได้เรียนรู้ไปในหนึ่งชั่วโมงนั้นแล้วหนึ่งชั่วโมงต่อไปมันก็จะไม่มีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะทะลุมันจะปลูก ป, ปรงไปหมดทีเนี้ยมันจึงจะให้เรามีโอกาสได้กับคำว่าปิตีได้สัมผัสกับคำว่าสุขคิดดูสิเรานั่งอยู่เนี่ย เวทนาจิตไม่สามารถไปวอกแวกหรือโดนเวทนาอะไรรบกวนเลยอะรู้ลมหายใจไหลเข้าไหลออกไหลออกไหลเข้าอย่างเงี้ยความที่จิตมันรวมอยู่กับลมหายใจปีติที่เกิดสุขที่เกิดอะไรต่างๆที่เกิดสภาวะเหล่านี้ที่เกิดที่มันละเอียดขึ้นมาในขั้นของการที่จะกำราบนิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ในผู้ที่นั่งหนึ่งชั่วโมงได้นะ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเดินจงกรมอ่ะเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องการนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยการเดินต้องอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงได้สบายรู้รู้ <laughs> ที่มันสบายไม่ใช่เลยเวทนามันไม่กวน<ะ>ใช่ไหมล่ะอ เ, เอเอ เวลาเราเดินเนี่ยเวทนามันไม่ควนแต่บางทีบางเดินไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเดินไปมันเลื่อยเปื่อยไงเดินเลื่อยเปื่อยคิดไปนนคิดไปนี่คิดไปนนคิดไปนี่ได้ไหรือเ่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็เดินได้ไอคนมันวิ่งไงตูนมันยังวิ่งตั้งแต่ปัตนะไอตูนนวิ่งตั้งแต่ปัตตานียันแม่สายนน่นอ่ะอมืมันได้แต่เพราะเวทนาไม่ควรใช่ไหม แต่เดือนหนึ่งชมวงหมายความว่าเราจะให้มันอาตาปีนะให้ให้ความเพียรมันเข้มข้ดขึ้นมา ก, ก็คือการประคองจิตอย่างจริงจังให้มันรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเราไม่รู้ละจดจ่อจ้องดูรู้การเคลื่อนไหวของเท้าตั้งแต่ยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบประคองจิตแบบมีความตั้งใจเป็นพิเศษ ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร ย, รยคิดดูที่เป็นเชือบวงอะไรจะเกิดถ้าอย่างนั้นเป็นเชือบวงอะไรจะเกิดฮะเอฮนั่นแหละมันจะได้อาตาปีที่พูดกับพวกเราวันนี้เพราะว่าพูดในเราเนี่ยเอาคำว่าอาตาปีสัมปชัญญเก็บไว้เป็นข้อพินิษฐพิจารณาในการปฏิบัติของเรา แต่เราปฏิบัติไม่ขาดอยู่แล้วแหละวันหนึ่งอย่างนะั้นเราก็ได้นั่งได้เดินได้นั่งได้เดินได้นั่งได้เดินแต่ยามใดที่มีโอกาสให้ถึงขั้นของอาตาปีให้ได้เพราะว่ามันถ้ามันเป็นอาตาปีขึ้นมาเมื่อใดมันจะมีความเข้มข้นมันจะมีความแน่วแน่แล้วมันจะเป็นขันลองของธรรมที่จะปรากฏในสภาพ ที่มันที่มันเป็นธรรมจริงๆเราจะรู้คําว่ารู้จริงที่เราพูดกันว่ารู้ตามความเป็นจริงนั้นหมายความว่ารู้ในสิ่งที่มันเกิดมาแล้วตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่ที่นี้เราก็ต้องรู้จริงในสิ่งที่มันปรากฏรู้จริงในสิ่งที่มันปรากฏ ต้องอาศัยความเพียรรู้จริงใ น, นสิ่งที่มันปรากฏจะต้องอาศัยความเพียรแต่เดิมที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเรารู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมอาตมาพูดว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือพยายามให้เราไอ้สิ่งที่เกิดเราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดทีนี้พมบอกว่าให้รู้ตามความเป็นจริงเราก็ไปกําหนดถึงการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งที่มันเกิดแต่เมื่ออาตาปีความเพียรที่เข้มงวด แรงขึ้นแรงขึ้นมันจะรู้ตามความเป็นจริงก็รู้การเกิดขึ้นและการดับไปนั่นแหละแต่จิตมันจะรู้ของมันเองจิตมันจะรู้ของมันเองเมื่อยยังเมื่อยไวเออเนี่ยแป๊บเดียวเลยไม่เวลาเราเนี่ยชาติหนึ่งมีกี่ปีอวันนึงมีกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาที ตอนนี้พูดมาแป๊บเดียวปลาก็ไปบ่ายโมงครึ่งแล้วเหลืออีกชั่วโมงกว่าก็เลิกแล้วชั่วโมงกว่ายังเลิกอีกแล้วแล้วเราก็แยกย้ายกลับไปผมไปถึงบ้านชีวิตส่วนหนึ่งก็เป็นของลูกชีวิตส่วนหนึ่งก็เป็นของหลานชีวิตส่วนหนึ่งก็เป็นของสามีของภรรยาชีวิตส่วนหนึ่งก็ของเพื่อนชีวิตส่วนหนึ่งก็ของอาหารชีวิตส่วนหนึ่งก็ของ ที่นอนชีวิตต่วนหนึ่งก็ของเสื้อผ้าชีวิตต่วนหนึ่งก็เป็นของเราแล้วมันแย่งของเราไปหมดอ่ะแย่ ง, งเราไปหมดอ่ะก็เลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องหัดมีกิจกังวลห่วงใหญ่มากยากที่จะทําได้จริงๆนะๆ <laughs> กิจกังวลมันเยอะจะมาบอกว่าจะไม่มีเรื่องกังวลเลยจริงไหมเราพูดถึงว่าขันห้าที่มันเป็นภาระเพราะว่ามันเอาเวลาของเราไปหมด ไม่เหลือเลยเราคนหนึ่งห้าขันใช่ไหมพออยู่บ้านมีสามีคนหนึง่งเพิ่มมาอีกห้าเป็นกี่ขันแล้วมีลูกคนหนึง่งอีกห้าเป็นเท่าไรลูกไปมีหลานมาอีกเป็นเท่าไรโอ้โหคนคนหนึ่งมันต้องไม่รู้ตั้กี่ขันน่ะแค่ของตัวเองห้าขันนี่ก็แย่แล้วใช่เปล่าขอตัวเองห้าขันนี่ก็แย่แล้วรูปนามขันห้าเนี่ยของเราห้าขันนี่โว้ย รูปเบตนาสัญญาทั้งการวิญญาณของตัวเองนี่ก็แย่แล้วไอ้นี่ไปเพิ่มมาอีกกี่ขันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการเป็นคารึงหดัดเนี่ยท่านจึงบอกว่ามีกิจกังวลห่วงใหญ่มากไม่มีผิดเพี้ยนเลยจึงจัดว่าพาราหาเวปัญจักขันธาปัญจักขันทั้งหลายเป็นภาระจริงๆทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันเป็นภาระพาราหาโรจปุกาโลแต่บุคคลก็ยังยึงยดถือภาระอันนี้ไว้อืม ไอ้ น, นี้ของฉันไอ้ น, นี้ของฉันไอ้ น, นี่ของฉันไอ้ น, น, อ น, อ น, นี้ของฉันยัวเยะปรุพุนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้จะมานั่งสมาธิสี่ห้านาทีมันจะหลุดพ้นเฉีวเลยถูกไหมไม่มีทางอ่ะพอนั่งปั๊บก็ถึงก็แรกๆจะรู้ลมหายใจเนี่ยอย่างพวกนี้นั่งแล้วเาถามใจตัวเองอ่ะเอาตามความเป็นจริงพอเราไปจะรู้ลมหายใจมันไปไหน ไปบ้านมั่งอย่างไรพวกนี้จะไปอยู่วัดคืนนี้เนี่ยมันก็นั่งคิดไอ้คืนนี้มันนั่งรู้อะไก็ไม่รู้หลวงพ่อให้ไปนอนตรงไหนไม่รู้มีที่นอนไห ม, มพัดลมมีเปล่าไม่รู้นี่หลวงพ่อให้ถือศีลแปดตนเย็นนี้จะหิวเปล่าวะ <laughs> มันไปไหนมันไปเรื่องขันทั้งนั้นนะลูกนี่ก็เรียกว่าขันความกังวลห่วงใหญ่ในขันห้าเนี่ยทั้งนั้นนะ่ะ ได้ภาระพวกเนี้ยจิตเราไม่ใช่เป็นตัวเดียวกับกายอันนี้เดี๋ยวปฏิบัติไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันพระเจ้าบอกภาระฮะเวบัญจัตกันฑาบัญญักันทั้งหลายเป็นภาระจริงๆอ่าเราพร้อมจะเอาจริงกับมันยังวันนี้ไม่ต้องเดินหรอกเ <c oughs> <c oughs> นอะเออไม่ต้องเดินหรอกเพราะว่าคนเยอะที่เดินยากวันนี้เราก็จะนั่ง นั่งแบบจริงจังเลยนะเอาจริงเอาจังเลยสิถ้าทางเอาจริงเอาจังเลย